บุ๊ก2ส wa ิบเดซเมื ni, ่อวานวันนี้พรุ่งนี้เมื่อวานเป็นวันเสาร์ เมื่อวานดิฉันไปดูหนัง ув, หนังน่าสนใจภาพยนต์น่าสนใ จ, นนนใจววันนี้เป็นวันอาทิตย์ сегодня, วันนี้ดิฉันไม่ทำงาน Сьогодні я не працюю. ดิฉันอยู่บ้าน Я залишаюся вдома. พรุ่งนี้เป็นวันจันทร์ Завтра понеділок. พรุ่งนี้ดิฉันไปทำงานอีก Завтра я знову працюю. ดิฉันทำงานที่สำนักงาน คนนั้นคือใครใครคนนั้นคือปีเตอร์ปีเตอร์เป็นนักศึกษา <Pedro student. S 2> คนนั้นคือใคร คนนั้นคือมาธาเซมาร์ตามาธาเป็นเลขานุการมาร์ตาสคริปตาร์กาปีเตอร์และมาธาเป็นเพื่อนกันเปโตรอีมาร์ตาดูซีปีเตอร์เป็นเพื่อนของมาธาเปโตรเยดูโกมาร์เต มาธาเป็นเพื่อนของปีเตอร์มาร์ตาเยโปโตรฮุยเปตรากรุณาไปที่ www. b o o k t o de สำหรับหนังสือและดาวน์โหลดเวอร์ชันใหม่ล่าสุด